214ผู้เสพมิจฉาชาญเป็นนิพพานในปัจจุบันหากใครผู้ใดไปหลงอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วบรรลุเจโตสมาธิอันเป็นเครื่องตั้งมั่นแห่งกิจ แล้วตามระลึกถึงขันในอดีตโดยหลงยึดอยู่ในภาวะอดีต18หรือแม้แต่จะเป็นนักตรึกตา ก, กีนักค้นคิดเอาวิมังสีด้วยความเฉลียวฉลาดปานใดก็ยังไม่สามารถบรรลุความจริงได้ทั้งในภาวะอนาคต37รวมกับผู้มิชฌาทิฐิในปัจจุบันห้า ก็เป็นมิจฉาทิฐิ44พระพุทธเจ้าตรัสไว้ล้วนไม่สามารถบรรลุความจริงได้เว้นแต่ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาจนสัมมาทิฐิในปัจจุบันหได้จริงเท่านั้นที่จะปฏิบัติบรรลุความจริงหรือสัจธรรมได้สําเร็จจริงพระพุทธเจ้ายังทรงย้ําอีกว่าผู้จะปฏิบัติเพื่อบรรลุความจริงขั้นนิพพานนั้น จะกำหนดขันส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารบขั ans, นทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงทิฏฐิหลายชนิดด้วยเหตุหกสองประการแม้ข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นปัจจัย พระไตรปิฎกเล่ม9ต้าจ้งแต่ข้อ64ดังนั้นจึงต้องมีผัสสะเสมอทุกประการในการปฏิบัติธรรมพระบรมศาสดาทรงย้ำซ้ำไว้อย่างชัดเจนยิ่งว่าเว้นผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พระไตรปิฎกเล่ม9ตั้งแต่ข้อ64จนถึงข้อ89 ซึ่งชัดเจนยิ่งว่าจะต้องมีสัมผัสภายนอกเป็นสำคัญผู้หลับตาปฏิบัติเข้าไปเอาแต่อยู่ภายในพราวังเพื่อจะได้เจโตสมาธิโดยไม่มีผัสสะนั้นเจึงปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะปัจจุบันที่มีสัมผัสหกเท่านั้นที่คนจะปฏิบัติบัรลุนิ้ผ่านทำฝันให้หมดสิ้นได้